อีกสูตรหนึ่งนะคณิกาสูตรสูตรนี้แปลว่าสูตรว่าด้วยหญิงโสเพนีเนี่ยคณิกาก็คือโสเพนีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเวลวันกาลันทกาณิวาปัสสถานใกล้พระนครราชครึกก็สมัยนั้นแลในพระนครราชครึกเนี่ยมีนักเลงสองพวกเป็นผู้กำหนดมีจิตปฏิพัทธ์ในหญิงแพทย์สยาคนหนึ่ง มีใจรักกับหญิงแพทยสยามมากก็เลยเกิดความบาดหมางกันนะนะสงครามเชียงนางก็เกิดขึ้นทะเลาะกันวิวาทกันประหัตประหารซึ่งกันและกันนะนะไอ้คำว่าประหารก็หมายความว่าใช้มือตีกันบ้างใช้ก้อนดินตากันบ้างใช้ท่อนไม้บ้างในที่สุดก็ถึงกับสาดตราอาวุธนักเลงเหล่านั้นถึงความตายในที่นั้นก็แปลว่าตายไปคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ปางตายนะนะ สองคนทะเลาะ ก, กันให้คนหนึ่ง ต, า, งตายอีกคนหนึ่งก็ตายเลยเกิดที่ไหนดีเนาะครั้งนั้นแลเวลาเช้าพิสูจ์มากด้วยกันนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครราชคครือครั้นเที่ยวบินทบาทในพระนครราชคครือ ก, กลับจากบินทบาทภายหลังพัดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรกาธในพระนครราชครึกมีนักเลงสองพวกเป็นผู้กำหนัดมีจิตปฏิพัฒน์ในหญิงแพทยสยาคนหนึ่งเกิดความบาดหมางกันเกิดการทะเลาะกันวิวาทการประหัตประหารกันและกันด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้สาสตรานักเลงเหล่านั้นเนี่ยนะบางพวกก็ถึงตายในที่นั้นบางพวกก็ถึงทุกปางตายพระเจ้าค่าเนี่ยนะพระองค์ฟังเนี่ยพระองค์ก็ งงสราบเนื้อความทั้งหมดเหล่านั้นแล้วก็เปล่งอุทานในเวลานั้นว่าเบญจากามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะ ท, ที่น่าปรารถนาที่บุคคลถึงแล้วที่บุคคลจะพึงถึงทั้งสองอย่างเนี่ยนะเกลื่อนกล่นด้วยฝุ่นละอองธุลีคือราคะแก่บุคคลผู้เร่าร้อนตามศึกษาอยู่สำเนียจตัวนั้นมาจากคำว่าศึกษาคือผู้ที่ศึกษา ตามศึกษาในความน่ารักของรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพทั้งหลายนะที่ตัวเองได้ถึงแล้วหรือจะถึงต่อไปจิตใจก็เร่าร้อนรุ่มร้อนด้วยอำนาจของราคะเป็นต้นอันหนึ่งการศึกษาอันเป็นสาระศีลพฤดชีวิตพรหมจรรย์การอุปถาตอันเป็นสาระอันนี้ก็เป็นส่วนสุดที่หนึ่งอันนี้เป็นหมายถึงอัตต ะ, ตตะกิะมาานุโยกนะ การศึกษาอันเป็นสารสินเพราชีวิตพรหมจรรย์การอุปถากอันนี้หมายถึงอัตตกิละมัทานุโยคมียวิชาเป็นปัจจัยอันหนึง่งการประกอบตนพัวพันด้วยความสุขในกามของบุคคลที่กล่าวอย่างนี้ว่าโทษในกามไม่มีอันนี้ก็เป็นส่วนสุดที่สองอันนี้ก็หมายถึงกา ม, มะสุขขลิกานุโยคมีตันหาเป็นปัจจัย ดังนั้นส่วนสุดทั้งสองคือการ อ, อัตกิละมัทธนุโยกการมสุขคลิกานุโย ก, ก, ามาม ก, โยกจึงเป็นที่เจริญแห่งตันหาและอวิชชาอัตกิละมัทานุโยกปฏิบัติมากอาวิชชาเพิ่มการมสุขคลิกานุโยกปฏิบัติมากตันหาเพิ่มอะตันหาและอวิชชาย่อมทำมิจฉาทิฏฐิให้เจริญ ย, ยิ่งขึ้นไปนะเพราะว่าตันหาเป็นมูลของทิฏฐิ อวิชาก็เป็นมูลของมิจฉาทิฐิสมณพราหมณ์บางพวกไม่รู้ส่วนสุดทั้งสองอันนั้นย่อมจมอยู่ด้วยการยึดถือในสังสารวัตหรือด้วยอำนาจการยึดมั่นในสัสตตทิฏฐิจมอยู่ด้วยอำนาจของสัสตตทิฐิบางพวกก็ย่อมเล่นเลยไปอันนี้หมายถึงยึดถือด้วยอำนาจอุเฉททิฐิส่วนผู้ที่รู้ส่วนสุดทั้งสองนั้นแล้วคือรู้ทั้งอะไร รู้ทั้งอัตกิละมัทานุโยกการมสุขันลิกานุโยกมีตัณหาและอวิชชาทำให้เจริญขึ้นรู้ที่สุดทั้งสองไม่ตกอยู่ในส่วนสุดทั้งสองเหล่านั้นและสำคัญด้วยการละส่วนสุดทั้งสองนั้นคือมุ่งละไอส่วนสุดทั้งสองละความเข้าใจผิดละอวิชชาละตัณหาเหล่านั้นวัตตะของผู้ที่ดับไม่มีเชื้อเหล่านั้นย่อมไม่มีเพื่อจะบัญญัต ถ้าทำการยึดมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดอวิชากับตันหาถ้าตั้งมั่นตั้งเป้าในการปฏิบัติเพื่อกาจัดอวิชาและตันหาได้ผู้นั้นเนี่ยนะวัตตะของผู้นั้นน่ชาตินี้ถ้าสิ้นไปแล้วก็ไม่รู้จะ บ, บัญญัติว่าเขามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเช่นใดบัญญัติทั้งหลายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึง บัญญัติได้ถ้าตัดสาเหตุของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้โดยประการทั้งปวงจะบัญญัติได้อย่างไรทวนว่าอาวิชชานี้กําจัดด้วยอะไรนะวิปัสสนาตันหากําจัดด้วยสมถะทั้งสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงกําจัดอวิชชาและตันหาได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระองค์อุทาน เรื่องราวในอัตถกามีอยู่ว่าในกรุงราชครื่ในวันมหรสพเนี่ยนะวันมหรสพณที่ไหนก็ที่นั้นเน่ยนะันตลอดเลยเสมัยนี้ปืนมากเลยแลก็เลยที่ไหนงานไหนก็งานนั้นแหละต้องเลือดอาบกันไปข้างหนึ่งนะตายกันไปข้างหนึ่งหรือไม่ก็ปางตายข้างหนึ่งพวกนักเลงเป็นอันมากก็เที่ยวกันเป็นพวกพวกแต่ละคนก็นำหญิงแพทย์สยามมาที่ละแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็เข้าไปเล่นมหรสพเนี่ยนะเรียกว่าไป จ้างหญิงแพทย์สยามไปเที่ยวกันหลังจากนั้นในวันมหรสพนักเลงสองสามคนพาหญิงแพทย์สยามคนนั้นนั่นแหละมาเล่นมาเล่นมหรสพคั้นในวันมหรสพวันหนึ่งพวกนักเลงเหล่าอื่นก็ประสงค์จะเล่นมหรสพเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อจะนําหญิงแพทย์สยามมาจึงนําหญิงแพทย์สยามคนหนึ่งที่พวกนักเลงพวกก่อนเคยนํามาใครเรียกว่าอะไรนะควงผิดคู่ฝ่ายนักเลงพวกก่อนเห็นดังนั้นก็บอกว่าหญิงพวกนี้อยู่ในการปกครองของเรา เอาวันก่อนเที่ยวกับฉันไม่ใช่หรอเอาไปเที่ยวกับพวกแกได้ยังไงเนี่ยไอพวกนักเลงพวกหลังก็กล่าวอย่างนั้นวันนี้อยู่ในการดูแลของฉันนะนะศึกของผู้ปกครองประมาณน น, นักเลงทั้งสองพวกนั้นก็ทะเลาะกันและกันว่าเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ปกครองได้ก็คือใครมีเงินคนนั้นก็ดูแลได้ประางนั้นก็เลยนะมีมือด้วยนะดูแลได้มีมือมีเท้ามีอาวุธก็ดูแลได้ก็เลยซักันเองเลยนะ ของวัดตะจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เลยมันมีเกือบทุกงานในบ้านเราเมืองเรานี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะเดี๋ยวก็กระ่ลำกระเร่งกันมากันละแต่และก็บอกว่ามารนามปินิคัตฉันติเขาว่าเข้าถึงความตายด้วยการประหารกันอย่างรุนแรงอีกพวกหนึ่งก็ได้รับทุกปางตายมีความตายเป็นประมาณว่างั้นอ่ะตายแน่พระองค์นี้ก็ทราบเนื้อความโดยอาการทั้งปวงซึ่งความกำหนัดในกาลทั้งหลาย นะความกำหนัดในรูปเสียงกลิ่นรสโภตพะไอความพอใจอันนี้แหละเป็นมูลเหตุของการทะเลาะวิวาทเมื่อทะเลาะวิวาทเนี่ยนะอะไรความชิบหายทั้งปวงก็มีขึ้นเนี่ยนะมันมีจะมีประโยชน์ไหมถ้าหากว่าเกิดจะทะเลาะวิวาทการทะเลาะวิวาทเกิดความชิบหายทั้งปวงเกิดมาจากการทะเลาะความทะเลาะก็เกิดจากความกำหนัดในกามนั่นเองพระองค์นี้เห็นโทษของส่วนสุดทั้งสองคือเห็นโทษว่า การเพลดิดเพลินหมกมุ่นติดใจในวัตถุกรรมก็นำมาซึ่งความชิบหายในตอนท้ายความผูกพันในเรื่องของอัตตกิลมาธานุโยกถึงออกมาบวชเป็นนักบวชที่ประพฤติอัตตกิรมาธานุโยกก็ไม่ได้ทําให้พ้นจากทุกข์อะไรพระ อ, องค์เห็นอ น, นิสง์ของมัชชิมาปฏิปทาเห็นอ น, นิสง์ของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้ามีการปฏิบัติไปตามอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จึงจะ พ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงคือเขาแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆอย่างนี้นะกลุ่มหนึ่งเป็นพวกที่หมกมุ่นในกามะสุขันลิกานุโยคแสวงหากามอย่างเดียวคําว่าสแสวงหากามก็คือสแสวงหารูปที่น่าพอใจสแสวงหาเสียงหากลิ่นหารสหาโพธะภาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอชวนให้กําหนัดพาใจให้ติดให้คล่องก็สแสวงหาแต่สิ่งเหล่านี้กลุ่มนี้เรียกว่ากามะสุขันลิกานุโยกเนี่ยนะ พวกนี้มีความสุขในการบำเรอตาะัถ้าเรามีตาเราก็ต้องได้เห็นภาพที่เราพอใจซิก็เที่ยวแสวงหาแต่ภาพที่ตัวเองพอใจมีความสุขในการบำเรอหูก็แสวงหาเสียงเป็นที่ตั้งแห่งความสบายพวกก็แสวงหากลิ่นไว้เป็นที่บำเรอจมูกแสวงหารสไว้บำเรอลิ้นแสวงหาโพธาภาทั้งหลายไว้บำเรอกายพวกนี้ทั้งหมดเรียกว่าการ ม, มัศุ ข, ขลิกานุโยกไอการแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เกิดการ วิวาทเหมือนกันเพราะว่าต้องการเนี่ยนะทุกฝ่ายก็ต้องการเหมือนกันหมดก็ก็พื้นอย่างว่าแผ่นดินมันจํากัดใช่ไหมทรัพยากรรูปเสียงเปลี่นรถโพชนากามันจํากัดก็เลยมันไม่พอกันใช้สอยก็ต้องทะเลาะกันแก่งแย่งกันหรืออีกไม่บางคนก็ต้องการไว้ครอบครองเกินกว่าไม่มีการแบ่งปันไปให้คนอื่นเขาเขาได้นะหมายาว่าชิ้นเนื้อเนี่ยตัวเองมัวถือไว้ก้อนโตคนอื่ น, น, นก็เลยมามาจิกมาเตีเพื่อที่จะชิ้น ชิงก้อนเนื้อก้อนนั้นออกไปพวกนี้ก็เป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งก็คือการมัศุคลิกานุโยกเนี่ยพู้ตามสภาวะง่ายๆก็คือพวกนิยมปรนเปรตตาหูจมูกลิ้นกายนะอีกพวกหนึ่งบอกว่าเอ้ยพวกนี้ไม่ดีมันต้องไปทําให้ตาเดือดร้อนสิต้องไปเบียดเบียนหูทําให้หูเดือดร้อนให้จมกูกเดือดร้อนให้ลิ้นเดือดร้อนให้กายเดือดร้อนทั้นถ้าจะให้ตาเดือดร้อนทำยังไงลับตาอย่างเดียว อันนะอะไรมาปิดหู น, นะปิดจมูกหรือลิ้นนี่ก็ให้กินแต่นิดเดียวนี่นะกินอาหารเท่าเช่นเท่ า, มาเมล็ดงาก็พอแล้วอย่างเงี้นะหรือว่าถเบียดเบียนทางกายทํำยังไงเคยเห็นพวกฤาษีดัดตนประเภทดัดแบบมันไม่ใช่ดัดแค่แค่แบบดัดแบบโยคะแบบอะไรออกกําลังกายนะไอ้พวกนี้มันดัดทั้งวันทั้งคืนอยู่นั่นแหละบางคนนี่ชี้มือชี้ฟ้าจนจะเอามือวางไม่ลงอะ่ะมันชี้อยู่ได้ขนาดนั้นนะ ก็มีวิจิตพิสดารมากเลยนะพวกนั้นก็เป็นอัตตะกิละมัานุโยคบางคนก็บอกต้องเอาตรงกลางสิพอดีทรมานบ้างครึ่งหนึ่งแสวงหาอีกครึ่งหนึ่งเพลิดเพลินในการครึ่งหนึ่งแสวงหาการทาให้ตัวเองเดือดร้อนอีกครึ่งหนึ่งว่ากันเป็นพักๆใช่ไหมอันนี้ตรงกลางพอดีไงก็แบ่งเอาการมัศุขาริการุโยกมาครึ่งหนึ่งเอาอัตตะกิละมถทนุโยกครึ่งหนึ่งเอาไงมันก็พอดีกันเหยียบเลนกลางพอดีเลยใช่ไหมถ้ายังไงอะตกลง บอกว่ามัชิมาปฏิปทามัชแปนะมัชแปเนี่ยแปลภาษาไทายว่าไม่ข้องแวะส่วนสุดทั้งสองนั้นเลยไม่ข้องแวะทั้งอัตกิระมัทานุโยคไม่ค่้องแวะทั้งการมัสุขาเกานุโยคไม่มุ่งปรนเปรยตาหูจมูกลิ่นกายแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มุ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ปฏิบัติเพื่อรู้เหตุเกิดความดับอสสาทาอาทีนวะ นิสรณะของตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าหากว่าเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องวัดนะคิดอย่างง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ว่าพวกกามสุขลิการุโยกเน้นปรนเปรตตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกอัตากิละมัทานุโยกทำไงมุ่งเบียดเบียนทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเดือดร้อนแล้วพวกมัชิมาปฏิปทาพวกนี้มีปัญญา พวกนี้พิจะรู้เหตุเกิดรู้ความดับของตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้อัศธ า, าความหน้าเพลิดเพลินของตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้โทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาในคาถาเหล่านั้นยันจะปัดตังความว่าเบญจกามคุณ มายคว่ารูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยโพธิภพที่น่าปรารถนาเนี่ยนะที่บุคคลได้รับที่บุคคลทําทิฏฐิไว้เบื้องหน้าหรือไม่ทําไว้เบื้องหน้าว่าโทษในกามไม่มีบางพวกนี้คิดอย่างนี้ว่าโอ้ยบริโภคไปเถอะมันไม่เสียหายอะไรหรอกเดี๋ยนะพวกนี้ไม่ไม่ถือว่ามีทุกข์มีโทษไม่ถือว่าเป็นพิษเป็นภยัยไม่ถือว่าเสียหายอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิ นำหน้าพวกนี้ถือว่ากามไม่มีโทษอีกพวกหนึ่งไม่คิดอะไรหรอกเนี่ยไม่คิดอะไรหรอกเพลินอย่างเดียวนะไม่ประกอบด้วยทิฏฐิก็แบ่งเป็นพวกประกอบด้วยทิฏฐิกับไม่ประกอบด้วยทิฏฐิบอกว่าสองคนนี้กลุ่มไหนน่ากลัวกว่ากันพวกมีทิฏฐ <of cielo S 1> ิ <pec ans S 1> ประกอบกับไม่มีทิฏฐิประกอบพวกมีทิฏฐิประกอบเขาบอกว่าการบริโภคกามไม่มีโทษพวกไม่มีทิฏฐิประกอบก็บอกก็บริโภคอย่างเดียวก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่รู้ว่าชอบก็แล้วกันอ่ะชอบอย่างเดียว ก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบ่งอาเป็นสองกลุ่มแบบนี้ยันจะปัดตับพังคำว่าการมคุณใดอันทิฏฐิคติกะบุคคลผู้ยึดถือด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิอาศัยมิชฉาทิฏฐิว่าเราพึงบริโภคกามเราพึงใช้สอยกามเราพึงเสพพึงเสพเฉพาะบุคคลใดบริโภคการมบุคคลนั้นชื่อว่าทําโลกนี้ให้เจริญ บุคคลใดทําโลกให้เจริญบุคคลนั้นชื่อว่าประสบบุญเป็นอันมากอย่างนี้ก็พึงถึงความเสวยในอนาคตด้วยกรรมที่ตนไม่สละมิชั่ทิฐิอันนั้นและก็กระทาถือเอามิชั่ทิฐิพวกนี้ไม่ถือว่ามีโทษลัทธิในโลกนี้มีเยอะนะที่ถือว่ากามไม่มีโทษอย่างลัทธิสมัยใหม่นั้นถือว่ากรรมทั้งหลายไม่มีโทษพวกนี้ก็เลยมุ่งบํารงบําเรอมุ่งปรนเปรอนะนะสแสวงหาวัตถุกรรมไปจน บาปเปือปเป้อนบาปเปื้อนอกุศลทําชั่วขนาดไหนก็ไม่ถือว่าเสียหายเนี่ยนะไม่ถือว่าเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ถือว่ามีพิษมีภัยอย่าลืมว่าเพราะการมเป็นเหตุเพราะการมเป็นต้นเขาเพราะการมเป็นปัจจัยสรรัตว์ทั้งหลายจึงทําชั่วด้วยกายวาจาและใจเพราะฉะนนั้เขาถือว่าการที่จะได้วัตถุกรรมมาด้วยความชั่วทางกายวาจาใจไม่มีโทษไม่มีโทษเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าจะได้วัตถุกรรมเพราะการฆ่าก็ต้องฆ่า เพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาถ้าจะได้เพราะการโกงก็ต้องโกงถ้าจะได้มาเพราะการไปผิดการเม ก, ก็ต้องทำด้วยมูสาวาดก็เอาจะต้องใช้สุราไปบาเรอขนาดไหนก็ยอมเพื่อให้ได้ซึ่งรูปที่ตัวเองปรารถนาไอ้คำว่าวัตถุกรรมแบ่งเป็นสองกลุ่มนะในสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะทางเลือกสวนไรนาที่ดินข้าทาสกรรมกรทรัพย์สิสนแก้วแหวนเงินทองบุตรภรรยาเป็นต้นอะไรก็ได้ที่ที่ตัวเอง ปรารถนาก็สแสวงหาสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่คิดว่าทําชั่วขนาดใดถ้าได้สิ่งเหล่านี้มาไม่มีพิษมีภัยไม่มีทุกข์ไม่มีโทษพวกนี้ไม่สําคัญว่าจะต้องเป็นบาปอะไรบางคนเนี่ยทำปานาติบาตอ้างอะไรอ้างธุรกิจจะทําอธินาทานก็อ้างธุรกิจจะดื่มสุราเมรัยขนาดไหนก็อ้างธุรกิจ ยังก็ว่าธุรกิจนี่มันยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าปิดอบายได้ขนาดนั้นนะยอมสารพัดยอมเพื่อจะได้แต่ไม่เหมือนธุรกิจในศาสนาธุระมี2คันธธุระกับวิปัสนาธุระกิจมี3กิจในการบำเพ็ญอธิศีณาธิจิตและอธิปัญญาแต่ถ้ากิจอันนี้ก็ต้องเว้นจากปานาติบาคเป็นต้นจะต้องไม่เปื้อนด้วยบาปนะจึงจะทำธุระสมถะคันธธุระวิปัสนาธุระได้อย่างสมบูรณ์ แต่คนละธุระกันแล้วล่ะเนาะพราพวกพวกที่ยึดถือว่าการหมกมุ่นในเรื่องของวัตถุกรรมเป็นต้นไม่มีโทษพวกนี้ก็เอามิจฉาทิธฐินำหน้าสแสวงหาไปหลายคนเนี่ยนะมุ่งสแสวงหาวัตถุกรรมเนี่ยนะอย่างจาสังเกตดูนะเคยไปตามที่ต่างๆเนี่ยนะเห็นคนชราเขาเฝ้าร้านขายของเนี่ยนะ เขาเหล่านี้ไม่รู้หรื อ, อยังไงเนาะว่าอีกไม่กี่วันแล้วอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยอายุ ก, กันเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยนะโอยเฝ้าหน้าร้านอยู่นั่นแหละนั่งดูตรวจเช็คละเอียดละอเนี่ยนะเขามายังนึกในใจเขาไม่ไปไหนหรือจะเฝ้าแต่ร้านอยู่นี่ตลอดไปหรือไงเนาองั้นคิดว่าอย่างว่าตัวเองจะอยู่อมตะตลอดการอยู่ตรงนั้น น, น, นะะขาบอกว่าโอ้ยทาสิ่งนั้นเหมือนกับว่าจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยตลอดไป ทั้งๆ ท, ที่อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะอีกไม่กี่ปีแล้วก็ไปแล้วบทว่าอุพยะเมตังรชานุกินนางความว่ากามาคุณทั้งสองที่บุคคลถึงแล้วหรือจะพึงถึง น, นะถึงแล้วหมายคือว่ากําลังได้รับการปรนเปรยบริโภคอยู่นี้ด้วยความอริสอร่อยด้วยความสุขสนานเนี่ยนะกับที่จะถึงต่อไปในอนาคตที่ตัวเองจะได้ต่อไปเนี่ยนะทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านั้นก็เกลือล่อนกล่นป่นเปื้อนไปด้วยฝุ่นทุลีคือราคาเนี่ยนะ จิตเนี่ยเศร้ามองขนาดไหนนะใจของผู้ที่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ได้มีความสุขเลยนะจริงอยู่ว่ามันเป็นเหมือนกับไฟที่มันเย็นอ่ะนะไฟเย็นเนี่ยนะมันเขาว่ามันมันเยือกเย็นแบบอะไรมันจะว่าร้อนมันก็ไม่แบบระอุแบบโทสานะแต่ว่ามันแห้งเกรียมมันเผาไหมข้างในเนี่ยนะจริงอยู่บุคคลเมื่อเสวยวัตถุกรรมที่ประจวบเข้าย่อมเป็นอันชื่อว่าเกลือกล่อนกลนด้วยทุลีคือราคะ ในสองอย่างนั้นเมื่อผลแห่งจิตที่เศร้าหมองที่จะมีในอนาคตอันชื่อว่าเกลือกล่อนกลนไปด้วยทุลีคือโทสะในเมื่อโทมนัสเกิดขึ้นแม้โดยประการทั้งปวงเป็นอันชื่อว่าเกลือกล่อนกลนด้วยทุลีคือโมหะคิดง่ายๆว่าสิ่งใดที่เขาเสวยด้วยความสุขด้วยความชื่นชมเนี่ยนะเขาจะชื่นชมสิ่งนั้นได้ตลอดไปไหมสมมติว่าเขาชื่นชมในสีที่สวยแล้วความสวยของสีเหล่านั้นจะมีอยู่ตลอดไหม ไม่มีใช่ไหมดอกไม้สดที่เราบอกโอ๊ยมีใจผูกพันกับดอกไม้ดอกนี้งามมากสวยเนี่ยนะดูกลีบดูสิเนี่ยแต่ละกลีบงามมากงามกี่ชั่วโมงหนอะเคยเห็นดอกไม้กลีบสวยๆเนี่ยมันสวยกี่ชั่วโมงะนะชั่วโมงแรกสองชั่วโมงสามชั่วโมงหลังถ้าอยู่กลางแดดด้วยอะไรจะเกิดขึ้นถามว่าเมื่อมันเฉาไปเรื่อยๆแล้วยังจะมีความสุขอยู่ต่อไปไหมเนี่ยถ้าถึงขนาดว่ามันเน่าไปแล้วเราจะทํำยังไงคะเนี่ย ความสุขที่เคยมีอยู่จะไปไหนชั้นใดก็ดีก็นํามาซึ่งความเสียใจเพราะสิ่งที่เราบอกว่าเราชอบเนี่ยนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีคือคือหมายความว่าไม่ได้ดีแบบนั้นตลอดไปอะไรเมื่อไม่ดีแบบนั้นตลอดไปตามมาด้วยโทสะตามมาด้วยความเสียใจใช่ไหมเมื่อเสียใจเนี่ยนะเกลื อ, อเกลือกลัวด้วยความตันหาด้วยตันหาเสร็จแล้วก็เสียใจเพราะ ผิดหวังจากสิ่งนั okay ้นเพราะสิ่งนั้นไม่ได้ยั่งยืนแบบที่ตัวเองคาดหวังว่าสิ่งนั้นจะต้องให้ความสุขแก่ตัวเองตลอดไปเมื่อสิ่งนั้นไม่ให้ความสุขแก่ตัวเองตลอดไปก็เครียดโทสะก็เกิดขึ้นเมื่อโทสะเกิดมั่งราคะก็มีโมหะกลุ่มรุมโทสะก็มีโมหะกลุ่มรุมพวกนี้ก็เกลื่อนกลนด้วยทุลีคือราคะฝุ่นละอองคือราคะก็จับฝุ่นละอองคือโทสะก็จับ ฝุ่นละอองคือโมหะก็จับเนี่ยนะนี้ถ้าเป็นแบบภาษ า, า, าสมัยพุทธกาลพระ อ, องค์อยู่ก็ อ, อาจจะแสดงว่าไวรัสคือราคะก็ลงไวรัสคือโทสะไวรัสคือโมหะก็ลงเล่นงานซะน่วมหมดเลยไหมกำจัดยังไงดีเพราะว่าไอ้ธุลีก็คือฝุ่นละอองนะไอ้ฝุ่นละอองตัวนี้ก็คือแบบสมัยก่อนก็าคมองเห็นแบบนี้นะก็ใช้สั์ประเภทนี้ไปทีนี้ก็ดู ว, ว่าฝุ่นละอองคือราคะโทสะโมหะนี่มันแทรกเข้าไปอยู่ในใจแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะ อย่างพวกภายนอกมันก็เล่นงานแต่รูปใช่ไ้มแต่นี้มันเล่นงานสภาพจิตซะยับเยินหมดเลยเนี่ยนะพังหมดเลยเพื่อจะเฉลยว่ากามทั้งสองนั้นเกลื่อนกลนด้วยทุรีอย่างไรนัก็คือเกลื่อนกลนด้วยราคะโทสะและโมหะพระองค์ตรัสว่าแกบุคคลผู้กระสับกระสายผู้มีจิตใจตามศึกษาเพื่อวัตถุกามเหล่านั้นเนี่ยนะผู้ที่มันศึกษา เรียนรู้วิชาสารพัดวิชาเพื่อสแสวงหารูปเสียงเปลี่นรถและโพธภพคนที่ประสบความสําเร็จจริ ง, รงๆเนี่ยมีมากไหมไม่มากถ้าไม่มากแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็เร่าร้อนเร่าร้อนเพราะอํานาจของความเศร้ามองทางจิตใจเพราะว่าสิ่งที่เขาสแสวงหามันเป็นสิ่งที่มันร้อนเมื่อมันร้อนเนี่ยนะถ้าร้อนเนี่ยใจที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ร้อนๆนเนี่ยมันเฉาไหมกิเลสนี่ปนแปล ว, ว่าความเฉาอับเฉาทางจิตใจเนี่ยนะจิตใจก็อับเฉา เศร้ามองถ้ากิเลสแปลว่าความเศร้าหมองจิตใจก็อับเฉาเศร้ า, ามองเครียดหงุดหงิดไม่สบายใจและอึดอัดด้วยอํานาจปราถนาการมผู้เร่าร้อนเพราะทุกข์ด้วยผลของกิเลสผู้ผู้ศึกษากิเลสกรมและผลแห่งกิเลสกรรมและขณะเดียวกันเนี่ยด้วยจิตที่มุ่งหวังอย่างนั้นก็มุ่งหวังการตอบแทนจากผลของการมทั้งสองประการะนะต้องการผลตอบแทนคือวัตถุกรรมต้องการผลตอบแทนคือกิเลสกรรม ถ้าหากว่าในโลกนี้บุคคลใดปรารถนาสิ่งใดแล้วได้สมใจหวังหมดโลกนี้คงจะมีแต่คนเอิบอิ่มเป็นแน่โลกนี้คงมีแต่ความสบายใจทุกคนในโลกนี้จะไม่มีใครเครียดเลยแม้แต่นิดเดียวคิดอะไรก็สมหวังไปหมดแล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมไม่นะมันสิ่งที่เข้าหวังโดยมากตรงกันข้ามหมดเลยเมื่อตรงกันข้ามแล้ว จ, จัดจิตใจจะเป็นอย่างไร พันโลกนี้จึงเป็นโลกที่เร่าร้อนด้วยไฟคือบาปอากุศลมันกลุ่มรุ ม, รมจิตใจนะกลุ่ม ร, มรุมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทั้งๆที่ชีวิตก็อยู่กันคนละนิดคนละหน่อยแต่ก็ใช้ชีวิตเหมือนกับตายไม่เป็นนะบทว่ายันจะปัตตพังความว่ากามคุณใดอันบุคคลถึงแล้วด้วยอํานาจอาเจและกะวัดเชื่อว่ายังตนให้เดือดร้อน กามคุณใดที่จะให้ผลให้ถึงในอาบายเพราะเหตุแห่งการสมาทานด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิบางคนเนี่ยเพราะว่าอย่างพวกรัดที่ที่ไปทรมานเบียดเบียนเนี่ยนะพร้อมกระรองไปอดอยากเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าเขาเบื่อหน่ายกามคุณนะไอ้ที่ไปทําตัวให้มันเดือดร้อนเครียดอุยพร้อมอดอยากพวกนี้ทําทําไมรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าเขาทําเสร็จเขาจะเปี่ยมไปด้วยการมคุณ นั่นคือความความต้องการที่แท้จริงของเขาไอ้ที่เขาไปบวชเดือดร้อนในลักษณะโดยมากกลุ่มฤาษีทั้งหลายที่ที่ทำตนให้เดือดร้อนนะโดยมากที่เรียกว่าไม่นุ่งลมห่มอากาศกินแบบอดอดยากอะไรเป็นต้นเนี่ยพวกนี้หวังกระยิมไว้ในใจเลยว่าต่อไปเขาจะบริบูรณ์ด้วยกามนั น, นะต่อไปเขาจะบริบูรณ์ด้วยสรรพวัตถุทั้งหลาย นะปันโดยมากเนี่ยยังไงยังไงันก็พันๆอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมนี่แหละขณะเดียวกันเนี่ยนะเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ให้ผลจะไปเกิดในอบายเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นแมงกระชอนเป็นต้นแมงกระชอนชายอยู่ตามดินนั่นแหละทนั้นการมคุณเหล่านี้จึงเกลือกล่อนกลนด้วยทุลีเนี่ยนะด้วยทุลี บุคคลเราเนี่ยตามอนุสิกขโตก็คือตามศึกษาด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิพากันสมาทานยึดมั่นด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิเนี่ยนะคือถ้าหากว่าเราถือเอาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาทิฐิความรู้ในกรรมและผลของกรรมเป็นสัมมาทิฐิความรู้ในอริยสัจเป็นต้นเป็นสัมมาทิฏฐิหรือสติปัญญาปัญญาที่เป็นสุตตะมยะปัญญาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตามนี้เป็น สัมมาทิฏฐิจะรู้ว่ามิจฉาทิฏฐินิมากจริงๆเนยนะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมากนะเพราะว่าโดยมากนะอย่างที่ว่าลัทธิที่จะทําให้พ้นจากทุก์มีอยู่ลัทธิเดียวคือลัทธิที่ประกอบด้วยอริยมรรคอันมีองคแปดนะหรือพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นลัทธิเหมือนกันนะแต่เป็นลัทธิที่เป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นลัทธิอันนี้นี่แหละที่ทําให้พ้นทุกได้จริงพระองค์บอกว่าพ้นทุกได้จริง แต่ลัทธิอื่นว่างเปล่าจากความพ้นทุกที่ทไม่ได้พ้นทุกอะไรจริงๆหรอกแต่ว่าโดยทั่วๆไปก็อาจจะ ก, กลบเกลื่อนทุกบางอย่างได้แต่ว่าเหมือนอะไรนะพวกลัทธิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นยังไงนนะพอหมายความว่าปัญหามันยุ่งเหยิงวุ่นวายซับซ้อนอะไรมากก็เลยหนีไปเที่ยวดีกว่าอย่างไงนะหรือเหมือนนักเรียนที่เข้าห้องเรียนเนี่ยสอบแล้วเวลาทำการบ้านเครียดอะไรไปต้นเพื่อนก็บอกว่าเอองี้ยนี่เพื่อน เที่ยวกันดีกว่าสบายใจดีไม่ต้องมาเดือดร้อนอะไรแต่ทํามให้สอบผ่านไหมนะตรงกันข้ามนี่ก็เหมือนการพูดมิจฉาทิฐิก็ชวนไปเรื่องอื่นที่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอะไรเลยเนี่ยนะกลับบางทีนะสร้างปัญหาใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพราะว่ามิจฉาทิฐิจะตามด้วยมิจฉาสังกัปปะถ้ามิจฉาสังกัปปะเกิดบ่อยๆอะไรตามมามิจฉาวาจาก็แรงขึ้นถ้าพูดผิดบ่อยๆอะไรจะเกิด มิจฉากรรมมันตะมิจฉาอาชีวะก็ตามมาความชั่วทางกายวาจาใจก็เต็มบริบูรณ์เมื่อชั่วถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะจะไปอยู่ที่ไหนที่รองรับคนชั่วนะที่รองรับคนชั่วก็เดือดร้อนแน่นะมันแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสายตาเขาสั้นเขามองเห็นประโยชน์แค่ไม่กี่วันข้างหน้าเขาไม่ได้มองว่าสามปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเนาะ สิปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหนอสมมุติถ้าเรามีชีวิตอยู่อีกข้างหน้า5ปีแล้วปีที่10บข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นสมมติถ้าเรามีชีวิตอีก5ปีเนี่ยนะ10ปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้น30มสิบสี่สิสปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นวันชีวิตก็อยู่ได้กันไม่นานแต่ว่าแหมใช้ชีวิตเหมือนก็นอยู่อีกเป็นล้านปีอย่างนั้นแหละเยจะสิกขาสาราความว่าก็เหล่าชนที่เขาเรียกว่าบริสุทธิ์ด้วยสงสาร บางพวกบางลัทธิถือว่าบริสุทธิ์ด้วยการท่องเที่ยวไปในวัดตะหรือบริสุทธิ์จากสงสารด้วยศีลด้วยวัดศีนก็คืออะไรของเขาเขายึดถือศีนของเขาว่าเป็นสาระยึดถือพรหมจรย์ยึดถือชีวิตยึดถือการอุปถากว่าเป็นสาระอันนี้เขาถือว่าข้อที่งดเว้นไม่ทําจัดว่าเป็นศีลการทําตนให้ลําบากเพราะจะต้องบริโภคตามเวลาเป็นต้นเรียกว่าเป็นวัด ศีลของเขาก็คือบอกไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องกามโดยประการทั้งปวงวัดของเขาบอกว่าทำให้มันอดยากๆนะให้มันกินแต่น้อยๆแล้วก็ชีวิตมีผักษาเป็นต้นอันนี้เป็นชีวิตที่เรียกว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐของเขาอ่ะนะกินอะไรดีกินผักขมอย่างเดียวเป็นต้นเขว่าไปแล้วก็เมทุนวิรัตก็บอกว่าเราต้องไม่หมกมุ่นกับเรื่องวัตถุเรื่องการนี่เรียกว่าพรหมจรรย์ การที่ศีลพรดเหล่านั้นดำรงอยู่เนืองๆเป็นการอุปถาบไหมว่าบ่มรงบำเรอเอาข้อปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยนะเอาเป็นเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งที่ใหญ่โตก็บอกว่าถ้าใครอยากจะดูเกี่ยวกับิคำตรงนี้นะคำอธิบายตรงนี้ไปดูที่รือสือเกตรือสีเกตที่ที่ไหนที่อินเดียเนี่ยนะหรือว่าอะไรนะเทศกาลกุมภาเมล่ากุมภาเมล่าอะไรของเขาที่เขาลงอาบน้ำเนี่ยนะรือสีมาเป็นล้านเนี่ยนะมาอาบน้ําโอ้ยมีสารพัดลับที่ ที่ที่เขาพูดอย่างที่กล่าวมานี้ถ้าพูดตามคำสอนในพระไัรวิฎกพระองค์ปฏิเสธว่าไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้จริงอะไรเนี่ยนะพวกนี้บางทีก็ถือว่าการปรนิบัติพระขันท ก, กุมารใครเคยรู้พระขันท ก, กุมารพวกนี้ก็พระขันท ก, กุมารก็ขคัลูกของพระอีศวรพระอิสวรเสพระขันท ก, กุมารขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่า เสกกันไปสร้างกันมาเนี่ยนะรัฐที่เหล่านั้นบางทีนะถ้าไปอ่านตามแนละ้วทำไมอ่านแล้วก็ขำๆยังไงไม่รู้เนี่ยว่าเอ้ยอย่างนี้ก็มีนะคิดกันไปได้ยังไงกันไม่รู้วิจิตพิสดารในความคิดเนี่ยความบริสุทธิ์ในสงสารย่อมมีด้วยศีลตามที่กล่าวเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้ยึดถือศีลเป็นต้นว่าเป็นสาระผู้มีการศึกษาเป็นสาระชีวิตพรหมจรรย์และอุปถาผู้นี้เป็นส่วนสุดที่หนึ่งสรุปรวมรว ม, รวมคือ การะเออขอไปอัตตะกิระมัทธานุโยคที่พระพุทธเจ้าออกมาปฏิเสธตอนตอนไหนปฏิเสธชัดเจนเลยตอนที่แสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรธรรมจักกับปวัตนสูตรออกมาปฏิเสธลัทธิเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของร่างกายที่ทําแบบนั้นพระองค์ก็ทดลองอยู่ตั้งหลายปีใช่ไหมถ้าได้ดีจริงพระองค์ก็ได้ก่อนแล้วแต่พระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ อะยะเมโกอันโตคำ ว, ว่าส่วนสุขก็คือการทําตนให้ลําบากการยึดถือศีลเพราะการปฏิบัตินอกจากมัชชิมาปฏิปทาการปฏิบัตินอกจากอริยมรร์อันประกอบไปด้วยองคปดนี่แหละเรียกว่าเป็นความเห็นที่เป็นข้อปฏิบัติที่ต่ำทรามคือไม่สามารถช่วยให้ออกจากทุกข์ได้จริงมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยเปล่าเท่านั้นเองเนยนะเหน็ดเหนื่อยเปล่าบอกว่าต่อไปอะยัง ทุติยอันโตวความว่าการประกอบตัวตนการประกอบตนให้พัวพันอยู่ในกาลมาสุขจัดเป็นการดื่มด่าในกาลทั้งหลายอันนี้ก็เป็นส่วนสุดอย่างที่สองบางคนเนี่ยหมกมุ่นในการบริโภคกามจนถึงว่าบางคนเนี่ยนะมันว่ไม่รู้ตายอดอยากมาจากไหนไม่เคยกินเบียร์งงมันก็เลยขายที่มันสั่งเบียร์มาเป็นรถเลยฮะมือซ้ายมือขวาถือแต่ขวดเบียร์กระป๋องเบียร์เนี่ยนะดื่มแทนน้ำโอ้ยดื่มอยู่อย่างนั้นเลยนะ ยังว่าดีไหมอย่างนั้นนะเนี่ยเมาตลอดแทบไม่เคยสั่งเลยอ่ะอ น, นะอยากทานอะไรก็สั่งมาเนี่ยนะโทรศัพท์อันหนึ่งไว้สั่งนะโทรศัพท์อันหนึ่งแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งถือขวดเหล้าขวดเบียร์เดิมแล้วก็สั่งของมากินดืม่มกินเที่ยวยังว่าถ้าจะเท่าถึงก็มีความสุขนะทาอะไรก็ได้ดังใจหมดเลยไงยังว่าดีไหมดูเหมือนดี น, นะดูเหมือนดีแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ดีนะี่นะ บทว่าอิเจ เ, เตอุโพอันตาที่สุดตรงสองอย่างเหล่านี้คือการมสุขาลิการุโยกกับอตตะกิรมะฐานุโยกก็ที่สุดทั้งสองนี้ชื่อว่าสุดตรงเพราะว่าเป็นสิ่งต่ำสามต่ำมากขณะเดียวกันก็นอกทางนอกทางแห่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองคตกเหตุที่ผู้ติดอยู่ในกรรมคุณที่เกลื่อนกลนด้วยทุรีคือกิเลสและกองทุกเนี่ยนะกิเลสก็คือความเศร้าหมองใช่ผู้นี้ปนเปื้อนอยู่แต่กับสิ่งที่ เศร้ามองเมื่อเศร้ามองแล้วจะไปไหนถ้าใจทั้งเศร้าใจทั้งมองแล้วจะไปไหนต่อก็ความทุกข์ที่ตนจะพึงได้รับในปัจจุบันและความทุกข์ที่ตนจะต้องได้รับในอนาคตเนี่ยนะอย่างสมมุติเร้คิดง่ายๆอย่างพวกกลุ่มยาบ้านเนี่ยพวกที่ตอนที่ซ่องเสพซื้อขายเป็นต้นก็มีความสุขเต็มที่เลยใช่ไหมอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการหมดเลยแต่แล้วทุกในปัจจุบันก็ตามทันแล้วสัมปรายภพต่อไปละ อยู่ที่ไหนเนอเนี่ยนะแล้วตัวเองเนี่ยนะสมมติถ้ามอมเมาคนอื่นไว้อย่างนั้นแล้วตัวเองจะต้องเป็นอย่างไรบ้างก็เกิดมาก็ถูกมอมเมาตลอดเหมือนกันเพราะนั้นก็ทุกข์ทั้งโลกนี้ทุกข์ทั้งโลกหน้าเพราะนับางคนที่เรียกว่าเด็กบางคนเกิดมาจะต้องแบบรับแต่อะไรที่มันเลวร้ายอยู่ตลอดเวลาก็าอดีตชาติสาวไปมาจะเห็นว่าทุกอย่างสมควรแล้วเนี่ยทุกอย่างสมควรแก่เหตุแล้วผลที่เกิดขึ้นในโลกสมควรแก่เหตุทั้งหมดเนี่ยนะ มันก็เลยกลายเป็นผู้เล่าร้อนเพราะกิเลสเร่าร้อนด้วยทุกข์และตัวเองก็ต้องดําเนินไปประสบแต่ความเร่าร้อนทั้งโลกนี้และโลกต่อๆไปพวกนี้แหละเรียกทุกข์มีทุกข์เป็นเบื้องหน้ากั้นเดินไปพบแต่กองทุกข์เดินไปพบแต่ความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจพวกนี้เป็นการขยายตัวของตัณหาและอวิชชาการมัศุ ข, ขัลิกานุโยคเนี่ยเป็นการเจริญอะไร จเจริญตันหาอัตกิละมัานุโยคเป็นการจเจริญอวิชชาเนี่ยนะทั้งตันหาทั้งอวิชชาเป็นตัวที่ขยายมิจฉาทิฐิเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยนะพาให้เดินตามมักปดไม่มีตันหาก็ไม่พาให้ปฏิบัติตามมักแปนั้นพวกนี้พาขยายแต่มิจฉาทิฐิเพราะไม่รู้เพราะความเพลดิดเพลินก็ถือว่าบุญไม่มีผล นะบาปก็ไม่มีผลนะก็ปฏิเสธผลแห่งคุณงามความดีทุกประการปฏิเสธแห่งปฏิเสธผลแห่งความชั่วทุกประการก็เลยมิจฉาทิฐิก็มีกำลังยิ่งยิ่งขึ้นไปจริงอยู่บุคคลตามเห็นความยินดีในการมาคุณได้ตัณหาและอวิชชาเป็นเหตุทำร่วมกันของบุคคลก็ไม่อาจจะละวัตถุกรามนั้นได้ก็ยึดถือซึ่งนัตถิกทิฐิอกิริยาทิฐิและอหตุกะทิฐิว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผลคนที่มีความติดใจหมกมุ่นในวัตถุมากจริงๆเนี่ยนะพวกนี้จะไม่ถือว่าบุญบาปมีผลวันก่อนไปที่จังหวัดพะเยาแล้วก็ไปกราบพระประธานในโบสถ์หลวงพ่อก็บอกว่าองค์นี้เสียนไม่ใช่องค์เสีลองค์จริงก็ว่าเสียนองค์จริงถูกตัดไปแล้วว่าง <ๆ S 1> นั้นพวกนี้ไม่รู้บุญรู้บาปอะไรเลยเนี่ยนะ พวกนี้ก็เห็นแก่ว่าไม่มีบาปบุญไม่มีผลใช่ไหมก็เลยตัดเสียรพระพุทธรูปไปไปขายเพราะพวกนี้ไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงเมื่อไม่เชื่อแล้วทํำยังไงดีสิ่งใดที่เรียกว่าอาชีพอย่างอื่นที่สามารถทําได้ทังมากมายในโลกนี้เนี่ยนะใบแค่เรียกว่าอะไนระป้ายรับสมัครงานก็มีเต็มไปหมดแต่ทําไมจะต้องขยันไปเปิดโบสถ์งาดโบสถ์เนี่ยนะเพื่อตัดเสียรพระแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะถือหิ้วไปที่ไหนสะดวกสะดวกแบบหิ้วขนมที่ไหนใช่ไหม ขนาดนั้นมันก็ยังถามเพราะพวกนี้ปฏิเสธว่าบุญบาปไม่มีไม่มีจริงเนี่ยนะก็เลยถามทําแต่ความชั่วอย่างนี้เชื่อเลยว่าถูกตัดหัวอีกกี่ล้านชาติ น, นะเป็นล้านชาติไม่ใช่ชาติเดียวหรอกเนี่ยนะพวกนี้ปฏิเสธว่าบุญบาปที่ทําไปแล้วไม่มีผลเนี่ยนะปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปเนี่ยนะอย่างที่โยมคนหนึ่งก็ว่าวันที่ไปไหว้พระเจดีย์ที่นคนปรปฐมก็ไปไหว้พระเจดีย์วันนั้นไปวันจันทร์ ไอ้วันจันนี่วันที่กลับจากอินเดียหรือบ้างรไม่แน่ใจโยมคนหนก็บอกว่าพวกนี้เขาว่างกัน อ, อยู่ยังไงท่านเขาไม่ทําอะไรกันเหมือมาไหว้พระเจดีกันเขาวงากันสแสดงว่าพวกนี้มันว่างหรือมันตกงานกันแน่เขาวงากันเออโลกนี้อย่างนี้ก็มีไปคิดอะไรมากเดี๋ยวจะป่วยเวลาโยมไปไหว้เจดี JD, สุนัขมันเห่าเคยมีไหมเอาคนเขาก็บนบ้างก็ธรรมดาไปไปคิดอะไรมากานะก็ว่าในโลกนี้ก็ไม่ได้มีทั้งคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหมดอะไรหรอก คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปเป็นต้นก็มีใครเคยเข้าวัดมัง่งวัดที่เขาเลี้ยงสุนัขเยอะๆอะไรไงพระก็คุยด้วยดีนะแต่ว่าสุนัขมันต้อนรับดีไหมนั่นแหละก็ก็ให้รู้ว่าอย่างนี้ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นที่เจดีเนี่ยจึงมีทั้งคนไปกราบแล้วก็มีคนไปถ่ายอุจจระรถนะนีที่ปฐมเจดีนี่เห็นชัดเลยนกเขาขี่สายอย่างเดียวคนก็เอาดอกไม้ไปกราบบูชาอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วอะไรไปบ่นว่าอะไรนกพิราบมัน ก็อย่างงี้แหละเพราะทําเหตุเช่นใดก็จะได้ผลเช่นนั้นเนี่ยนะก็อย่าไปนี่เลยแต่ว่าคนที่เขาเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิจริงๆมองว่าการทําบุญการบูชาเป็นเรื่องของการเสียเปล่าทั้งนั้นเลยพวกนี้ก็เลยสแสวงหาแต่ว่าแต่เขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วในโลกนี้เป็นสมบัติของคนมีบุญนะผู้ใดมีบุญก็รักษาสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นได้ก็จะมีโภกทระซับเป็นต้นใช้จ่ายต่อไปได้ แต่ถ้าบุญหมดเมื่อใดชีวิตยังรักษาไม่ได้จะกล่าวไปใยัยถึงรักษาภายนอกเนี่ยนะรักษาแม้กระทั่งชีวิตยังรักษาไม่รอดเพราะว่าในโลกนี้การสวยสุขทั้งหลายถือว่าเป็นผลของบุญแต่ขณะเดียวกันคนเหล่านี้ก็ไม่รู้เรื่องบุญก็เลยทําแต่บาปบางคนนี่ทําบาปแล้วทําให้ตัวเองมีความสุขบอกตรงตรงว่าพวกนี้ดึงเอาบุญตัวเองในอนาคตมาใช้หมดเกลี้ยงเลยนะเพราะงั้นพวกการทําความชั่วจนมีทรัพย์สมบัติ แล้วคิดว่าตัวเองจะมีความสุขเนี่ยนะแต่จริงๆนั่นคือการดึงเอาบุญของตัวเองที่ควรจะได้รับในอนาคตมาใช้เพราะฉะนั้นถ้าบุญเหล่านั้นหมดแจะไปอยู่ไหนต่อเนีนะก็เดือดร้อนแน่เนี่ยนะเดือดร้อนแน่เขาไม่ปล่อยให้มาเดินไปกราบพระเจดีย์สบายๆหรอกเนี่ยนะหรือไม่ดีไม่ไปที่ไหนก็มีคนคุมหมดเลยดูแลรักษาความปลอดภยัยไม่ให้เราตกจากรถนะเพราะเขาใส่กุญแจล็อ ก, กลอนเป็นอย่างดีเป็นต้นเค่ <laughs> ว่าเรือนกลมกลางเรือนจำกลางเขาเขียนไว้อย่างนะั้นนะ เรือนจํากลางประจําจังหวัดอะไรเงี้นมาดูว่าจะเป็นได้เรื่องอะไรเนาะก็สังเกตดูนะช่วงหลังมาไอ้มัรู้ทําอะไรมาเลี้ยวไปที่ไหนก็ไปเห็นแต่รถเรือนจําเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าเราไปทําความชั่วอะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรนะแต่หมายคําว่ามันได้สังเวยค่ะว่าถูกว่าสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้สะเอาไว้ใส่อะไรนะไม่ใช่กรงเอาไว้ใส่นกที่ไหน เอาไว้ใส่คนทำผิดเนี่ยนะเอาไว้ใส่ความชั่วนี้ขนาดในโลกนี้นะทำชั่วยังมีผลอย่างนี้จะกล่าวไปยัยถึงโลกหน้าโลกต่อต่อไปอย่างพูดในในยุคนี้เนี่ยนะอีกคนหนึ่งไว้ถือว่าตัวเองมีอำนาจยิ่งใหญ่มากสั่งฆ่าใครก็ได้อีกคนหนึ่งก็จับไปบอกแกมีความผิดเนี่ยนะอย่างอย่างสมัยใหม่นี่เห็นชัดเลยรัฐบาลในหลายๆประเทศที่โหดเหี้ยมในที่สุดอีกรัฐบาลอีกประเทศหนึ่งก็จับไปถือว่าพวกแกคือนักโทษ นะก็เลยในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีใครใหญ่จริ ง, รงๆที่ที่สุดเนี่ยนะเมื่อไม่มีใครใหญ่จริงโลกก็เป็นไปตามกรรมมูสัตว์ก็เป็นไปตามกรรมทีนี้ถ้าหาว่าใครที่ทําความชั่วเนี่ยนะก็นึกว่าเขาจะพ้นหรือเขาจะผลหรือจริงอยู่วันนี้บุญเก่ายังให้ผลอยู่ถ้าบุญเก่ายังให้ผลอยู่เนี่ยนะคนทุกคนก็จะอะไรนะจะมาเคารพจะมาอ่อนน้อมจะมานอบน้อมนี้ผลแห่งบุญเก่าถ้าบุญเหล่านั้นหมดอะไรจะเกิดขึ้น เนเขาบอกว่าผู้ใหญ่จริงๆที่ใหญ่ๆเนี่ยนะถูกฆ่าโดยมากคนใกล้ตัวนี่แหละค่าไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนะคนใกล้ตัวนั่นแหละประหารฉันใดเราจะไปคิดว่าอำนาจที่มีอยู่ในโลกถึงจะยอมทำความชั่วแล้วตัวเองก็จะสุขสบายเนี่ยนะไม่มีใครทรยศมันสมบัติในโลกนี้เป็นของผู้ที่มีบุญถ้าหมดบุญเมื่อใดหมดบุญเมื่อใดนะนะก็อย่างว่านะ แล้วพวกนี้ไ ม, ไ ม, ไม่เมื่อไม่คิดถึงเหตุแห่งบุญไม่คิดถึงเหตุแห่งบาปก็สร้างแต่บาปให้แก่ตัวเองโดยส่วนเดียวมันเวลาที่เราได้ข่าวเรื่องผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากรับผลแห่งความทุกข์ทั้งหลายเราไม่ต้องแปลกใจหรอกเราสาวมาหาเหตุเธอว่าเหตุ น, นั้นคืออะไรแต่ทีนี้พอเห็นคนที่เขากําลังทาชั่วเป็นต้นเราอย่าไปคิดริษ ย, ยาเขาในวันสองวันว่าเขาลอยนวลอยู่ได้เนี่ยนะก็คิดไปเหลา ย, ลายสิบปีสิคิดสักสองสามชาติสิ เนนะหรือไม่ก็คิดว่าถ้าเล่หลายชาติและกรรมเหล่านั้นจะไปเก็บไ้ไหนเนี่ยก็แลตันหาและอวิชชาเป็นเหตุกระทำร่วมกันของบุคคลผู้ประกอบเนืองๆที่ทำตนให้เดือดร้อนะนะปอมไปถือรัฐที่ถือรัฐที่ที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็ถือผิดโดยมุ่งหวังการบริสุทธ์เฉพาะตนว่าตัวเองจะบริสุทธ์ด้วยศีลด้วยวัดอันนี้ก็เลยอาบน้ากันใหญ่เลย บางพวกนี่ก็โหสับนึกผิดแล้วจะอาบน้ำล้างบาปแล้วก็เลยอาบกันใหญ่เลยอาบทั้งหน้าหนาวอาบทั้งหน้าร้อนโดยเฉพาะอาบหน้าหนาวบางทีก็เอาตัวมาทาฝุ่นนะหาฝุ่นมาทาตัวพวกนี้อาบแต่ฝุ่นนะก็ถือว่าตัวเองจะได้ชําระล้างบาปไปกันได้บริสุทธิ์จริงไหมนะอาบน้ําล้างตัวบ้างอาบฝุ่นบ้างอ่ะนเคยเห็นไอ้ฝุ่นที่อินเดียเนี่ย ที่เขาฝุ่นทาฝุ่นท า, าสีเนี่ยเขาเอามาแต้มเอามาทาเอามารูปเนี่ยนะพวกนี้เป็นเครื่องหมายในการชําระบาปชําระอะไรของเขานะนี่ก็อาบอาบฝุ่นเนี่ยนะอาบอาบฝุ่นอาบเหงื่อสารพัดทั้งหลายถือว่าตัวเองจะได้เท่าถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเนี่ยนะก็ถ้าหากว่าใครที่ที่เข้าใจแบบนี้เนี่ยจะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว, ว่า พระองค์งรู้จักทางผิดพระองค์งรู้จักทางถูกว่าทางผิดที่บุคคลทําให้มากแล้วถ้าเดินตามทางสายนี้เนี่ยจะไปถึงที่ไหนพระอคอย่างที่ในมหาสีห์นาสูตรบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติตามทางนี้เดินตามทางนี้รู้เลยว่าข้างหน้าคือนรกถ้าเธอเดินตามทางสายนี้ทําตัวอย่างนี้รู้เลยข้างหน้าเดรัฉานปฏิบัติตัวอย่างนี้ทําตัวอย่างนี้รู้เลยว่าข้างหน้าเกิดไปคือเปรตติวิสัยถ้าทําตัวอย่างนี้ปฏิบัติตัวอย่างนี้ดําเนินอย่างนี้มนุษย์ ถ้าทำตัวอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เกิดในเทวดาหรือเกิดในพรหมโลกถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดอย่างนี้พ้นจากวัฏจทุกข์โดยประการทั้งปวงพระ อ, องค์เป็นผู้ที่รู้ทางจริงๆเลยนะถ้าหากว่าเราไม่อาศัยคําสอนของพระองค์เนี่ยเราจะเดินทางไหนสมมุติถ้าหากว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเราเลือกที่จะโกรธหรือเลือกที่จะไม่โกรธโดยมากนะให้ตัดสินใจเองในเหตุการณ์หนึ่งนะก็โดยมากถ้าไม่ไม่อาศัยคําสอนก็เลือกที่จะโกรธ เลือกที่จะโลภหรือเลือกที่จะให้ก็เลือกที่จะโลภเลือกที่จะฉลาดหรือเลือกที่จะงูไงโดยรวมนะเราก็เลือกจะเอาเอ า, เอาไม่ฉลาดอยู่แล้วล่ะมันเราจะเห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยชี้ทางให้เราเนี่ยให้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรคือเหตุแห่งความสุขอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยนะมันอันนี้เป็นพระมหากรุณาของพระองค์ถ้าพระองค์ไม่มีกรุณาต่อมูสัตจริงๆพระองค์จะทนลําบากสั่งสอน คำสอนเหล่านี้อยู่มากมายขนาดนั้นหรือเพราะการุณาของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายนั้นเราก็ชวนที่จะเห็นคุณของพระองค์แล้วก็ห pues, วังว่าการุณาของพระองค์จะสําเร็จผลใช่ไหมการการที่พวกเราพ้นทุก์นี่แหละถือว่าการุณาของพระพุทธเจ้าสําเร็จผลถ้าเราไม่พ้นจากความทุกข์ก็ถือว่าการุณาของพระพุทธเจ้ายังไม่สําเร็จผลเราจะเราเนี่ยช่วยให้พระพุทธเจ้าสําเร็จความคิดได้ไหม หรือเราบอกเฮ้ยให้พระพุทธเจ้าสงสารไปแกล้งพระพุทธเจ้าให้สงสารให้เข็ดเลยใช่ไหมตกลงทํำยังไงดี น, นะพระพุทธเจ้าท่านสงสารเราแต่ท่านไม่ละเลยอุเบกขาหรอกท่านก็สงสารเราด้วยแล้วท่านก็เจริญอุเบกขากับเราด้วยเหมือนกันสงสารปรารถนาจะให้เราพ้นทุกแต่ถ้าเราไม่สนใจในพระองค์พระองค์ก็เจริญอุเบกขาเปเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพระองค์มีแต่กรุณาอย่างเดียวตามงออยู่นั่นแหละ ก็มีอยู่สูตรหนึ่งเราขอร้องให้เธอมาบวชหรือเนีย่ยนะเราเคยมีสัญญาตกลงกันไหมว่าเธอจะต้องมาบวชถ้าฉันตอบปัญหาอันนี้แล้วเธอจะไม่ศึกเคยคุยกันไว้ไหมไม่เคยพระเจ้าค่ะนั่นแนหะแล้วเธอจะมาร้องเรียกเอาอะไรจากใครว่างกันเนีย่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็เป็นเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าพระองค์นิ้เจริญอุเบกขาเป็นนะวิธีการสอนพระพุทธเจ้ามีกี่อย่างนะหนึ่งหนึ่งสอนแบบอันนะสอนแบบเรียกว่าอะไรนะรุนแรง อย่างที่สองสอนแบบละมุนละม่อมอย่างที่สาทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมอย่างที่สี่ฆ่าทิง้งอย่างแรกเขาบอกว่าสอนแบบรุนแรงก็คืออกุศลเป็นอย่างนี้ผลของอกุศลเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นกายยัตุจิตวจิทุจิตมโนทุจิตนี้ผลของทุจิตคืออบายทุ ก, กติวินิบาดรกักแสดงว่าถูกเคียนหนักมาก แต่ถ้าบอกว่านี้คือคุณงามความดีนี้คือสุจริตผลแห่งสุจริตเกิดในสุกติโลกสวรรค์นี้เป็นทางแห่งพระนิพพานเป็นต้นการแนะนําแบบนี้เรียกว่าสอนอย่างละมุนละม่อมเนี่ยนะเขาเหมือนกับว่าสอนอย่างปลอบโยนเป็นต้นอย่างที่สามก็คือคละเคล้ากันไปเนี่ยนะประเภทที่สี่ฆ่าทิ้งเลยฆ่าทิ้งนี่ทํำยังไงรู้ไหมการฆ่าทิ้งในอริยวินัยก็คือการอันนะเห็นก็เหมือนไม่เห็น ได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินถึงนั่งอยู่ตรงนั้นก็มองเลยไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะเรียกว่าเหมือนกับว่าคนนั้นไร้ตัวตนณสถานที่แห่งนั้นอันนี้เรียกว่าถูกฆ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นบุคคลที่ไม่แนะนําละการที่ไม่สอนเนี่ยนะผู้ใดที่ยังได้รับคำแนะนําจากคนอื่นให้ดีใจถือว่ายังมีดีอยู่บ้างคนอื่นเขาถึงกล้าแนะนาเราแต่ถ้าเราไม่มีใครแนะนาไม่มีใครคอยบอกคอยเตือนคอยอะไรเลยนะ แสดงว่าเรานี่เป็นเอามากแล้วนะถึงขนาดไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเราเนี่ยเสีว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยนะอันที่ใครที่ยังมีคนอื่นวิาพากษ์วิจารณ์แนะนำตักเตือนอยู่ก็ให้ดีใจเถอะว่ายังมีคนรักยังมีคนเป็นห่วงอยู่เนี่ยนะยังมีคนที่เขายังไม่เจริญอุเบกขาด้วยแต่ถ้าผู้ใดที่อย่างเช่นถูกพระพุทธเจ้าเจริญอุเบกขาด้วยนี่ถือว่าหนักมากเนี่ยนะเอเราอุเบกขาต่อพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าอุเบกขาต่อเราดูท่าละ ตอนนี้สมมติเราพระตายไปดกก็มีอยู่แล้วเราไม่อ่านเนี่ยใครอุเบกขากับใครกันนี่บอกเราแกล้งฆ่าตัวเองเราฆ่าตัวตายเองอ่ะนะสมมติถ้าคําสอนก็มีอยู่เราก็ไม่อ่านถ้าธรรมก็มีอยู่เราก็ไม่ฟังแปลว่าเราฆ่าตัวตายเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ฆ่าอะไรเราหรอกกเลือกเอากันแล้วกันจะอยู่กลุ่มไหนเนี่ยนะถูกฆ่าหรือฆ่าตัวตายแตนขออย่าได้ฆ่าตัวตายเลยเนี่ยนะฆ่าตัวจากสุคติใช่ไหม เอาทำบาปเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เป็นประตูแห่งทุกขติเนี่ยนะเมื่อทําบาปที่เป็นเหตุแห่งประตูแห่งทุกขติเราก็เป็นฆ่าเป็นคนที่ฆ่าตัวเองเนี่ยนะเป็นฆ่าตัวเองสรุปมาทวนในหน้าสองเอ่อหนับจากล่างบรรทัดที่สาว่าภาวะแห่งส ก, กายติฐิส ก, กายติฐิพวกนี้ถือว่าอะไรถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตา พวกที่ถือขันห่าว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะสกายทิฐีนี้เป็นปัจจัยแก่อันทะปุตุชนปุตุชนผู้บอดผู้เคลา้าผู้หนาไปด้วยกรรมและกิเลสย่อมปรากฏชัดตัญหาและอวิชชาเป็นตัวขยายมิจฉาทิฐีอันนั้นให้มีกำลังขึ้นอวิชชาก็เป็นเหตุเป็นรากตันหา ก, ก็เป็นรากลําต้นคือมิจฉาทิฐิก็เจริญเติบโต นะเพราะอาวิชาเนี่ยรากมันลึกใช่ไหมรากมันลึกด้วยใหญ่ด้วยแล้วก็รากฝอยของอวิชาเต็มไปหมดเลยมันก็ดูดซับปุ๋ยได้เป็นอย่างดีตันหาก็รากใหญ่เหมือนกันสองรากเนี่ยควบคู่กันไปรากกัใหญ่เนี่ยนะคิดดูว่าลําต้นคือมิจฉาทิฐิจะเติบโตขนาดไหนนะแผ่กิ่งแผ่ใบออกมาขนาดไหนผลอะไรเรียกว่าผลิตดอกออกผลเท่าไหร่สมัยนี้เนี่ยผลผลิตของมิจฉาทิฐิเนี่ยมากเพราะมีอวิชากับตันหาเป็นปัจจัย เ, เรารู้ได้ยังไงว่าต้นนี้เนี่ยคือต้นมิจฉาทิฏฐิรู้ได้ยังไงรู้ว่าลําต้นเหล่านี้เป็นลําต้นที่เป็นมิจฉาทิฐิมียวิชากับตันหาเป็นมูลเป็นรากนีนะมีรากแก้วใหญ่ๆคืออวิชามีรากแก้วใหญ่คือตันหาก็บอกว่ารู้ได้ถ้าทิฐิเหล่านั้นไม่เกื้อกูลต่อการแทงตลอดอริยสัจ รู้ได้เลยว่าลำต้นอ น, นั้นมีมิจฉาทิฐิเป็นสมุทฐานในที่สุดไม่นำมาซึ่งการกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำพระนิพพานให้แจ้งไม่มีการเจริญศีลสมาธิและปัญญาไม่เจริญอะโลภะไม่เจริญอโทสะไม่เจริญอะ โ, โมหะให้รู้เทอะว่าลำต้นนั้นเป็นต้นมิจฉาทิฐิที่มีรากคืออวิชากับตัณหาเป็น เป็นรากแก้วเนี่ยนะเป็นรากแก้วอวิชชาเป็นรากแก้วตัณหาเป็นรากแก้วมิจฉาทิฐิก็เจริญขึ้นทุติริษสามก็เพียบพร้อมบริบูรณ์ท่านั้นกรรมทั้งหลายก็นําไปสู่พบใหม่เนี่ยนะก็กลายเป็นต้นไม้ที่มีพิ ษ, ม, พษมีทุกข์มีโทษเนี่ยนะลำต้นเต็มไปด้วยมดแดงหมดเลยสรุปว่าพวกนี้ในที่สุดนํามาซึ่งผลสองประการคือนํามาซึ่งการมมสุ ข, ขลินิกรรมมัสสุ ข, ขลิการุโยก ประกอบตนให้พวพันในการมาสุขอันนี้คือผลเขาที่เกิดจากมิจฉาทิฐิอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ผลออกมาก็คือการทําตนให้ลําบากมิจฉาทิฐินะตัวมันเองเนี่ยไม่ทําให้เจริญมรรคแปดหรอกตัวมิจฉาทิฐิไม่ทําให้เจริญมรรคแดแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแต่เพิ่มพูนมิจฉาทิฐิมากขึ้นมากขึ้นนั้นขันห้าก็เจริญเติบโตไปเนี่ยนะขันห้าในวัตตะก็เจริญขึ้นเนี่ยนะะเจริญขึ้น มันผู้ที่ไม่ปฏิบัติจนเห็นอริยสัจได้เนี่ยนะยังว่าวัดตะทั้งหลายที่เราประสบพบเห็นเนี่ยคืออนาคตของเราถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดเราพ้นจากสภาพเป็นประชาชนชาวอิรักไหมถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนะีพ้นไหมไม่พ้นถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะถ้ายังเป็นไปในสังสารวัตพ้นไหมจากประเทศที่อดอยากแห่งแรง กันดานไปด้วยทุกภัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าฟังข่าวว่าที่ไหนเดือดร้อนถ้าเรายังไม่เห็นอริยสัจอย่าคิดนะว่านั่นไม่ใช่บ้านเราอย่าคิดว่าที่นั้นไม่ใช่ที่อยู่ของเราอย่าคิดว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่พ่อแม่เราคนเหล่านั้นต่อไปคือจะเป็นพ่อเป็นแม่เราของของเราผู้ยังเฝ้าวัตะยังเฝ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะ คิดในลักษณะนี้ว่าโอ้ยทาไมเราจะขาดเมตตาต่อตัวเองขนาดนั้นเราแช่งตัวเองหรือยังไงก็สาทุ่้เกิดชาติหน้าให้เกิดในลูกคนทุกคนยากคนป่วยคนไข้คนเ ด, ดือดร้อนไปอยู่ตรงไหนก็ถูกรบเบิดตาคว้างใส่เป็นต้นเนี่ยนะจะไปดีตรงไหนใช่ไหมระเบิดแบบอะไรนะแบบน้าหนักเป็นตันนี่ให้เลยทุ่มตุ้มอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไอคนที่ทํากรรมชั่วนี่ก็โอ้ยน่าเห็นใจทุกสัตว์ทั้งหลายคนที่รับผลของกรรมก็น่ากรุณาคนที่ทํากรรมก็น่า สงสารมันก็เลยน่าสงสารกันหมดดุอะไรนะตัวเราเนี่ยสงสารตัวเองทำไมเราต้องมาอยู่ดูอะไรอย่างนี้นะอใช่ไหมน่าจะปฏิบัติให้มันพน้นพ้นไปสทัทีรออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรอาวรอะไรก็ไม่ทราบอนะน่าจะเห็นอริยสัจสักทีได้แลว้วเนาะเห็นไม่ทีเดียวนี่ก็พอใจแล้ว <c oughs> ขอให้มันเห็นสักทีหนึ่งเถอะนะเห็นว่างไงนะนี่ทุก <c oughs> ปีรณะสันตาปะวิปริณามะและสังคตะเนี่นะั่นี้สมุทยัยใช่ไหย อายุหะณะนิธานะสังโยคะปริโพธะนี้นิโรตนิสรณะอสังฆตะอมตะวิเวกะนี้มักนิยานิกะอนาเหตุทัศนะและอธิปตัตยะไม่เห็นอัฏฐะแห่งอริยสัจสี่ได้ครั้งเดียวนี่ก็น่าจะถือว่าพอใจแล้วนะพอใจแล้วว่าอบายทุกติวินิบาตดรกเป็นต้นเนี่ยปิดแล้วเนี่ยนะพบที่แปก็ปิดแล้วเลือกที่เกิดได้แล้วเนี่ยนะแค่นี้ก็สบายแล้วเนี่ยนะแต่ถ้ายังไม่เห็นอริยสัจเมื่อไหร่นะ อย่าลืมยังไงยังไงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็พยายามสอนให้ทุกคนเจริญพรหมิหารกับตัวเองบ้างนะน่ะคิดให้ตัวเองเนี่ยการที่สมมุติว่าเจริญเมตตาขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นอริยสัจบุญกุศลใดๆที่เจริญนี้ขอจงเป็นไปเพื่อเห็นอริยสัจเนี่ยนะการเจริญเมตตาให้ตัวเองอย่างนี้ดีหรือไม่ดีใช่ไหมขอให้เห็นอริยสัจแล้วขอให้พ้นจากทุกทั้งปวงขอให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตินรกเป็นต้นนะขอ กรุณานี่คือความคิดน้อมไปเพื่อความพ้นทุกข์เพราะั้นการที่เราบอกว่าอขอให้ได้เห็นอริยสัจจะได้พ้นจากทุกเหล่านั้ น, เ ห, น, นเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยนะการที่น้อมตัวเองให้พ้นทุกข์อันนี้เป็นกรุณาที่มีต่อตัวเองกุศลใดๆที่เจริญขึ้นเข้าใจอริยสัจได้ฟังอริยสัจก็ดีใจกับตัวเองที่ได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้พิจารณาวันหนึ่งคิดไปในอริยสัจแม้แต่น้อยก็ดีใจกับการพิจารณา อริยสัจเนี่ยนะที่จ ะ, ะมีความสุขกับการเจริญกุศลธรรมเพื่อเห็นการแทงตลอดอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะมุทิตากับตัวเองบ้าง น, นะแสดงความยินดีที่ที่ได้เจริญกุศลว่าใกล้เข้าไปแล้วเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดก็ใกล้พระพุทธเจ้าถึงเป็นพระศรีระธาตุก็ได้กราบได้วาศรีระที่ที่เคยรู้อริยสัจเป็นศรีระธาตุเป็นที่ที่อาศัยสอนอริยสัจมันก็ขอให้เราได้เฉียดได้ใกล้กับ กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอให้มีการพิจารณาอริยสัจมันดีใจที่ได้มีสติปัญญามีความรู้เรียนรู้ก็มุทิตากับตัวเองขณะเดียวกันต้องเตือนตัวเองบ่อยๆใช่ไหมเตือนว่าไงดูเราผู้มีกรรมเป็นของของตัวนะในเราเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยพันของเรามันพันสายไหนเนี่ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธใช่ไหมพันไหน พันธุจ์จิเตหรือพันธุ์สุจริรตเราก็มาถามเอาดูว่าเราจะเลือกเอาญาตชนิดไหนก็เราจะรู้ด้วยกรรมของเราใช่ไหมรู้ด้วยกายกรรมของเรารู้ด้วยวจีกรรมรู้ด้วยมโนกรรมของเราถ้าเราเลือกที่จะทําชั่วเราก็แสดงว่าเตรียมผ้าซับน้ําตาไว้ข้างหน้ามากๆหาผ้าก๊อสเอาไว้ไปเลยนะผ้าก๊อสเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ปิดแผลงไงนั่นนะผ้าทิชชู่เป็นต้นไว้ซับน้ําตาหาผ้าก๊อสหาทิ้งเจอหายาแดงนะฮะวาง ตำแหน่งโรงพยาบาลข้างหน้าเอาไว้เยอะๆเนี่ยเราจะได้ไปรักษาตัวถูกเนี่ยนะพ่อเราเอาก็เลือกเดินทางเองไม่ใช่เหรอเลือกทําความช่วด้วยตัวจะไปร้องเรียกเอาอะไรจากใครมานเงี้ยนะก็ตอนทําชั่วไม่เห็นมีใครมาขอร้องเลยทําเองเนี่เพราะฉะนั้นสเสวยผลแห่งความทุกข์ก็ต้องทําใจได้เนี่ยนะมันก็ต้องพิจารณกรรมสกตาถ้าหากว่าเราทําดีละ่ะผลต่อไปของเราคืออะไรนั่นนะท่านประโยชน์ทั้งหลายก็มีประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งหลายคนอ้างว่าทําเพื่อคนนั้นอ้างว่าเพื่อ คนนี้เพื่อคนนั้นหรือเพื่อคนนี้หรือเพื่อตัวกันแน่เห็นไหมก็เอาไปเอามาก็เหมือนเพื่อคนอื่นน่ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วคืออะไรเนี่ยนะพันสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแต่พูดอย่างนี้หมายคว่าไม่ให้มีการรับผิดชอบเป็นตน้นไม่ได้พูดแบบนั้นแต่ให้อย่าลืมว่าเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเราก็จะไปตามกรรมของเราถ้าหากว่าทุกอย่างเราทําได้หมดทําได้จริงไหมล่ะ ทำไทำได้จริงไหมเราช่วยเขาได้จริงไหมแล้วเราช่วยอะไรเขาเราก็ต้องมาใครควรมาทบทวนอะไรนะทบทวนชีวิตของตัวเองนะหัดมาระลึกว่าเราคือใครมาจากไหนไปไหนไปทำไมไปเพื่ออะไรให้มีเวลาสรุปทบทวนไม่ใช่ว่าอะไรนะไปตามแบบแบบรถบนถนนใช่ไหมข้างหน้าเขาก็หลักขับไปเรื่อยข้างหลังก็ดันบันกดแตรเราก็ไปตามเขากัเลยไม่รู้ว่ามันจะออกที่ไหนกันเนี่ย ออกซ้ายออกขวาออกจากส่วนไหนเป็นต้นก็อาจจะไม่ถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการนั้นที่สุดของความต้องการของเราอยู่ตำแหน่งไหนอันนี้ก็ต้องตั้งเป้าสูงสุดของเราอยู่ที่ใดตรงไหนหนอตรงไหนดีนั่นนตั้งไว้ตรงไหนจนกว่าจะถึงนิพพาน <c oughs> จนกว่าจะถึงพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เนี่ยนะเอถึงยังไงนะถึง้วยม้าแปด มักแปดอยูต่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยใกล้ต่อมักแปดไหมกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ทำอยู่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเป็นมักแปดเลยใช่ไหมเป็นไหมหรือเกือบจะถึงมักแปดอยู่แล้วต้องมาสอบสวนถ้าไม่อย่างนั้นนะไ อ, ไอ้ที่เราทำอยู่ไม่รู้หรอกว่าเป็นการมสสุขลิกานุโยกหรืออตากิรมัธานุโยกถ้าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใกล้ต่อมักแดเลย ให้รู้เธอว่าไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาแต่กำลังเป็นเป็นอะไรเป็นอวิชากับเป็นภาวะตันหาที่พาไปเนี่ยนะมันถ้าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นสมถาวิปัสนาที่เป็นไปเพื่อมัก8แต่ถ้าเดรัจฉีทั้งหลายก็คืออวิชากับตันหาพาไปก็เลือกเอาว่าเราสาวกของใครบุรุษในดวงใจของเราจริงๆอ่ะคือใคร นนะคือพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้นะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเมื่อใดก็เตรียมผ้าผ้าอะไรดีทิชชู่เไว้ซับน้ําตาด้วยหาผ้ากอสเอาไว้พันแผลด้วยเนี่ยนะแล้วก็หายาแก้ปวดแก้เมื่อยแก้บวมหาอะไรไวๆๆๆ้เลยหอย่างด้วยกันเนี่ยนะเพราะว่าแหมมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนั้นก็ขอแสดงความการุณาด้วย น, นะไทึกไหนแล้วเนี่ยว่าไปเรื่อย ในหน้า646ยอ่ อ, ยอหน้าบอกว่าพวกอันทับอันทะอันธานี่แปลว่าบอดเนะพวกปุตุชนคนบอดทั้งหลายไม่รู้ส่วนสุดโต่งทั้งสองตามที่กล่าวมานี้เหตุที่ไม่รู้ก็คือไม่มีเหตุเครียกว่าวการณะไม่รู้อย่างนี้คือเหตุที่ตัวเองไม่รู้อย่างนี้ว่าไอ้ส่วนสุดโต่งทั้งสองเหล่านี้เนี่ยเหล่านั้นอันทับปุตตุชนยึดเอาแบบนี้แล้ว ถือมั่นอย่างนี้ทําตามอย่างรุนแรงแบบนี้แนละคติหน้าคือนิรยคติเปตตคติและเดรฉานคติพบหน้าคือกา ม, มาพบเป็นเบื้องหน้าเมื่อไม่รู้อย่างนี้เนี่ยนะเมื่อไม่รู้อย่างนี้ไม่มีปัญญาอย่างนี้และอาสวะของเขาจะสิ้นไปได้อย่างไรมันจิตใจของเขาก็หมกมุ่นในกา ม, มาสุขมุ่งแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองเนี่ยนะมันเขาบอกว่า พระเจ้ามิลินถามพระนาคเกษว่าท่านบวชทาไมบอกว่าเหตุประโยชน์ที่การบวชคือต้องการจะดับทุกข์อันนี้และไม่สร้างทุกข์อันใหม่ให้มีขึ้นเพราะฉะนั้นทุกข์ที่เราทั้งหลายมีอยู่นี่ก็น่าถือว่าเพียงพอแล้วเนี่ยนะทุกแค่นี้ก็พอแล้วมีแต่ว่าทุกข์เหล่านี้ก็จะดับได้อย่างไรและไม่ขวนขวายสร้างทุกข์อันหใหม่ให้ให้เกิดขึ้นนะ ทีนี้ย้อนกลับมาว่าจริงอยู่บุคคลผู้ประกอบการ ม, มาสุขเนี่ยนะพวกนี้ทําให้จมลงจมลงถึงความหดจากสัมมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกการ ม, มาสุขาริกานุโยกบอกทักษาศีลเอาไหมบอกไม่เอาสมถะเอาไหมไม่เอาสรุปว่าพวกนี้ถ้าจมลงจมลงเครียกว่าห่างข้อปฏิบัติไปเรื่อยๆห่างจากศีลสมาธิและปัญญาห่างจากพระวินยัยพระสูตรและพระอภิธรรมห่างจากกุศลธรรมทั้งหลาย ส่วนผู้ประกอบทำตนให้เดือดร้อนพวกนี้ก็เล่แล่นเลยทงไปปฏิบัติอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่อุบายไม่ใช่หนทางพวกนี้ล่วงเลยศีลสมาธิและปัญญาไปเลยมักแปดไปพวกนี้เพราะไม่เห็นโทษของส่วนสุดทั้งสองว่ากา ม, มาสุขคลิกานุโยคที่บุคคลทำให้มากแล้วเจริญให้มากแล้วผลคืออะไรอตตะกีรมาฐานุโยคทาให้มากแล้วเจริญให้มากแล้วผล คืออะไรเมื่อไม่รู้อย่างนี้ก็เลยจมลงจมลงด้วยอำนาจความเพลิดเพลินแห่งตันหาหรือแล่นเลยไปด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิเนี่ยนะจมด้วยอำนาจสัสตทิฐิแล่นเลยไปด้วยอานาจมิจฉาทิฐิจริงอยู่คนบางพวกประกอบตนทาตนให้เดือดร้อนด้วยอำนาจศีลของโคเป็นต้นกระทำตัวเรียนแบบโคทำตัวเรียนแบบสุนักเนี่ยนะเรียกว่าโควัดกุกุรวัดเนี่ยนะ พวกนี้ยึดถือด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ีว่าชาติ ต, ต่อต่อไปเราจะเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลด้วยวัดด้วยตะบะด้วยพรหมจันทร์เราก็จะเที่ยงยั่งยืนแน่นอนไม่แปรผันดํารงติดนะดำรงอยู่ติดอยู่สม่ําเสมออย่างนั้นในเทวโลกสรุปว่าเราจะใช้ชีวิตอมตะอยู่ในเทวโลกจมลงอยู่ในสงสารมิโยมคนหนึ่งเข้ามาถามเมื่อวานก่อนอท่านครับเขาบอกว่าผมเนี่ย ผมยังตัดสินใจไม่ถูกว่าผมจะเอาอยัางไงเพรานั้นลองมาถามดูนะโยมช่วยตอบด้วยเท่านั้นนิพานแล้วดับไปหมดเลยกลับเกิดไปอยู่ในสวรรค์อย่างยั่งยืนนี่ผมจะเอาอันไหนดีบอกขอมาไม่คิดตามโยมหรอกนี่มันมิจฉาทิฏฐิชั ด, ชดเดินนะโยมเคยเห็นที่ไหนว่านิพานแปลว่าตายเขามีแต่ไม่ตายเท่งนั้นแหละอมตตังใช่ไหมอมตตังปณีตังนิพานก็แปลว่าไม่ตายแต่คุณบอกว่านิพานแปลว่าตายเนี่ยนะฮะหนึง่ง แล้วก็บอกว่าสวรรค์เป็นของเที่ยงมีที่ไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าสวรรค์เที่ยงโอ้ตอบไม่ได้หรอกของคุณไปคิดเอาคนเดียวกันแล้วกันเนี่ยนะคิดอย่างงี้คิดแบบนิชชาทิฏฐิว่างันนะนะถือว่านิพานพระพุทธเจ้าบอกว่าดีเขาบอกแหม่ไม่ดีเลยนะศูนย์เห็นไหมนิพานนี่ศูนย์จริงไหมอันนะ้ก็หมายความว่านิพานเนี่ยนิพานก็ต้องดูนะคือเขาไปเข้าใจผิดในคําว่าไอ คำว่านิโรศสักระคือเขาไม่เข้าใจความหมายว่านิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่สงบจากวัตตะเป็นที่ดับวัตตะเป็นต้นเนี่ยนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ออกจากวัตตะเขาก็เลยมองว่านิพพานคือความตายาเขาไม่อยากนิพพานอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าสวรรค์เนี่ยไม่ตายเหมนงั้นจขากไปอยู่ในสวรรค์เหมืองั้นมันก็อันนี้ก็เกิดจากความเข้าใจผิดเนี่ยนะเกิดจากความเล่นเลอเล่นเลยทงไปเพราะพวกนี้เขาบอกว่าเขาไม่กลัวตาย พระเดี๋ยวเขาก็เกิดอีกแล้วเขาก็เลยสบายไม่เห็นจะน้ากลัวตรงไหนเพราะตายเมื่อไหร่เขาก็เกิดเมื่อ น, นั้นตายทันทีก็เกิดทันทีอู้สบายจะตายไปไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยคนนี้ก็เลยไม่ค่อยทําบุญอะไรเท่าไหร่นี่นะเพราะตัวเองยังไงตัวเองก็ต้องเกิดอีกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ลืมไปว่าอใช่แ่ะมุดตรงนี้จริงแต่คุณโผล่ตรงไหนละ่ะยุคนี้แล้วโผล่ไหนดีกั น, นี้โผล่ในคันในไข่ในเท่าใครหรือโอปปาติกะ นี่โอปปาติกะนรกก็โอปปาติกะสวรรค์บางส่วนก็โอปปาติกะเราโอปปาติกะที่ไหนดีล่ะแต่ี้พวกนี้ไม่รู้สาเหตุไงไม่รู้ว่าต้นเหตุคืออะไรพวกนี้พูดแต่ผลแต่ไม่รู้ว่าเหตุคืออะไรพวกนี้ก็เลยไม่รู้ทั้งเหตุไม่รู้ทั้งผลก็เลยไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรเจริญอะไรควรละเมื่อไม่รู้ก็เลยสบายเนี่ยนะไม่รู้นี่มันก็สบายเหมือนกันนลยยมัสสบายไหม บางคนก็บอกเอ้ยไม่ไม่รู้อะไรมันก็สบายดีอยู่แล้วนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรก็สุขสําราญดีอยู่อยากทานก็ได้ทานอยากดื่มก็ได้ดื่มเป็นต้นเนี่ยนะก็เหมือนสบายใช่ไหมดูเหมือนสบายเอาไหมล่ะเป็นนั่งอยู่สบายๆในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆเนี่ยนะถึงเวลาเขาก็เอาอาหารมาส่งกับทํางานข้างนอกเลยนะเอาไหนไห น, ไหนสบายกว่ากันเรคิดเอากันแล้วกันว่าความสบายของเราจริงๆอ่ะมันคืออะไรเนี่ยนะอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเราสบาย เรานั่งรอเวลาเขาประหารเนี่ยนะเราสบายจริงหรือเนี่ยนะท่านพวกนี้ก็พากันจมลงอยู่ในสังสารวัตรไม่ไม่ขวนขวายไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยนะปล่อยชีวิตไปไปวันวันหนึ่งแต่ละวันก็เพลิดเพลินไปเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยนะเหมือนไม่มีอะไรทั้งทั้ที่เขาไม่รู้รอกว่าบุญเก่าของเขาเกือบหมดแล้วนะเกือบหมดบุญแล้วนะเกือบหมดบุญแล้วนะเนี่ยนะ ส่วนบางพวกก็ประกอบในการมาสุขพวกนี้ด้วยอำนาจอุเฉ ท, ท, ทิติติอันคล้อยตามสสตทิฐิเหมือนนักพรตในโลกป ร, ประสงค์จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เร่าร้อนชื่อว่าแล่นเลยไปสแสวงหากาการขาดศูนย์แห่งวัตตะโดยหาอุบายไม่ได้โอ้ยไปคิดอะไรมากได้อะไรก็รีบบริโภครีบสวยความสุขให้มันเต็มที่เดี๋ยวเราก็ตายแล้วพวกนี้ถือว่าตายแล้วจบใช่ไหมพวกนี้รีบควนขวายอะไรนะ ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เอามาปรนเปลอยจนหมดเกลี้ยงเลยก็ถือว่าตัวเองก็จะจะตายแล้วเมื่อตายแล้วก็จบเมื่อตายแล้วก็ศูนย์เมื่อตายแล้วศูนย์เนี่ยของของเรามีตั้งเยอะแยะเราทําอะไรดีอะไรที่จะพอบํารงบําเรอปลนเปลืยตัวเองได้ก็รีบขวนขวายเลยนะสแสวงหาเต็มที่กลัวจะไม่ได้ใช้เพราะเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วตัวเองไม่ได้ใช้กังวลกันรีบใช้ให้มันหมดซะเลยพลานให้เกลี้ยงเลยนะวันนี้ก็อุเฉททิฏฐิก็นึกว่าตัวเองเนี่ย าตายเฉยๆอยู่ๆแล้วก็ตายพอตายแล้วก็จบหมดเลยว่าไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นปล่อยชีวิตไปในการสแสวงหาความสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยนะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าคิดว่าตัวเองจะออกจากวัตฏะโดยหาอุบายไม่ได้งนั้นคนเหล่านี้กพ็พาสร้างแต่ความชั่วให้แก่ตัวเองสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองเนี่ยนะทั้งที่เขาไม่รู้หรอกว่าควาว่าตายของเขาเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าตรัสว่าจุติและอุบัตใช่ไหมจุตูปปาตะจุติแล้วก็อุบัติจุติแล้วปฏิสนธิในภพใหม่ก็มีในทันทีปฏิสนธิตรงไหนเนอเนี่ยนะตรงไหนเนาะโผล่มาอีกทีนี่ตรงไหนเนา ะ, นนะก็ต้องดูว่าเราก่อนตายเนี่ยเราคิดถึงอะไรเนี่ยนะรู้พอจะคํานวณได้เลยว่าวุบโผล่มาอีกทีหนึ่งควรจะที่ไหนเนี่ยน ะ, นนะก็ต้องดูนะว่าความคิดสุดท้ายก่อนจะจากโลกนี้ไปคืออะไร นั่นแหละคือเครื่องหมายของพพหน้านะถ้าเลือกคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ไปดีนะถ้าเลือกทนึกถึงอย่างอื่นล่ะไม่แน่นะนะก็ไม่มีใครที่ไหนแช่งให้เราตกนรกหรอกนะนะแล้วก็ไม่มีใครที่จะให้พรให้เราเกิดในสวรรค์ได้จริงหรอกอยู่ที่ใจของเรานี่แหละและใจชนิดไหนมันเกิดมากแต่เชื่อไหมในโลกนี้ไม่มีใครว่าคิดตัวเองจะไปอาบายหรอกฉันใกล้สวรรค์ใกล้นิพพานกันทั้งนั้นเลเนะีนะ่ย นั่งอยู่เฉยๆสบายก็ยังชื่อว่าตัวเองใกล้สวรรค์กับใกล้นิพานก็ยังเข้าข้างตัวเองอยู่นะเออเชื่อไหมไม่มีใครคิดว่าตัวเองกำลังจะไปอาวายหรอกคิดจะไปดีกันหมดเนี่ยนะแต่ว่าเมื่อทุกคนทำไม่เหมือนกันแล้วคิดว่าตัวเองจะไปถึงที่ดีหมดเลยเนี่ยแล้วมันถึงที่เดียวกันหรือเนี่ยนะก็มาทบทวนให้ดีๆเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเวลาที่เราสามารถทบทวนตัวเองได้ เธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเธอจะไปทําไมไปเพื่ออะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องมาตรวจสอบสตัวเองอะนะซึ่งถือว่า เ, อาเวลาแห่งการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะเหมาะที่จะทบทวนตัวเองหาบทสรุปของชีวิตให้ได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยควรควรแค่ไหนและอย่างไรเนี่ยนะทีนี้หลายคนก็บอกโอ๊ยเบื่อเหลือกเกินว่าตะจะออกจากวัตตะแล้วโพธิปกักจคยธรรมเต็มหรื อ, อยัง ถ้าโพธิปัจฉิยธรรมไม่เต็มเนี่ยนะเขาให้เบื่อให้ตายก็ไม่ออกไม่ได้หรอกเห็นไหมก็เหมือนกับอะไรนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเกิดมาเนี่ยจนจนจ น, จนบอกเกลียดที่สุดเลยความจนเขาบอกงั้นนะแต่ก็ตกงานงานการก็ไม่ยอมทําอะไรก็ไม่เอาเขาบอกเขาเบื่อที่สุดเลยความยากจนเพราะฉะนั้นเขาจะรวยจะรวยจะรวยแต่ก็ไม่ยอมทํางานโดยประการทั้งปวงไม่ศึกษาข้อมูลไม่อะไรทั้งนั้นอยู่เฉยๆแต่เขาบอกเขาเกลียดความจนเนี่ยนะ กับคนที่ก็บอกเขาเกลียดมากว่าตะแต่ว่าไม่เจริญโพธิปักขยธรรมนี่พวกนี้สองคนฉลาดเท่ากันบทว่าเยจะโคเตอพิญยายะความว่าก็พระอริยะบุคคลเหล่าใดคือพา ร, ริยะนี่ยนะรู้ส่วนสุดทั้งสองคำว่ารู้ตัวนี้เป็นชื่อของอะไรสัมมาทิธฐินะท่านมีปัญญาท่านมีสัมมาทิฐิ รู้ส่วนสุดตรงทั้งสองตามที่กล่าวแล้วด้วยยานอันพิเศษคือมักคปัญญาอันประกอบด้วยวิปัสนาปัญญาคือท่านเจริญวิปัสนาปัญญาเจริญอนุปัสนาเจ็ดจนอริยมัคคปัญญาเกิดขึ้นรู้ส่วนสุดตรงทั้งสองที่ปุตุชนยึดแล้วท่านรู้เลยนะว่าอันถ้าปุทุชนยึดแบบนี้คติหน้าต่อไปเกิดที่ไหน พบต่อไปเขาเกิดที่ไหนท่านก็มาปฏิบัติชอบในมัชฌิมาปฏิปทานในอริยมรรคอันประกอบไปได้วยองค์8ดไม่ตกไปในกามสุขะลิกาณุโยคไม่ตกไปในอัตตะกิรมัทธานุโยค ก, ก็คือละส่วนสุดทั้งสองก็เพราะละส่วนสุดทั้งสองอย่างนั่นแหลพระอริยบุคคลจึงไม่ได้สําคัญด้วยอํานาจตันหามานะทิฐิอันเ ท่านจึงละตันหาละมานะละทิฐิโดยประการส่วนสุดตรงทั้งสองเหล่านั้นคือได้ละสุดตรงทั้งสองแล้วเพราะการละสุดตรงนี้จึงจัดว่าการละที่ประเสริฐเนี่ยนะการละส่วนสุดน่นนะสุดทั้งกาลมาสุขคลิ ก, า, ก, กล า, านุโยกอตตะกิระมัทานุโยคเป็นความประเสริฐเพราะละความสําคัญทั้งปวงโดยชอบเนี่ยนะพวกผู้ปุตชชนทั้งหลายเนี่ยนะก็โดยทั่วไปก็ยึดอะไรรู้ไหม ก็ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารและ ว, วิญญาณด้วยอำนาจตันหายึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยอำนาจทิฏฐิยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยอำนาจมานะยึดด้วยอำนาจตันหามานะทิฏฐิก็เลยที่มาของอกุศลทั้งหลายแต่ว่าพระอริยบุคคลเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นละความสําคัญผิดตันหายึดถือในขันห่าว่านั่นของเรา ทิฏฐิยึดถือในขันห้าว่านั่นอัตตาของเรามาณยึดถือในขันห้าว่านั่นเราพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเห็นว่าขันห้าอนิจจังทุกขังและอนัตตาเป็นต้นก็เลยละตันหามานะทิฏฐิได้โดยประการทั้งปวงถ้าตันหาตันหิติเนี่ยเกิดขึ้นเรียกว่าอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมี ชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะเป็นต้นสังสารทุกข์ไหลไปแต่ถ้าตันหาทิฏฐิดับกรรมก็ดับถ้ากรรมดับชาติคือการเกิดในนรกเป็นต้นก็ดับเนี่ยนะมันก็ถือว่าพ้นจากทุกในนรกเป็นต้นได้ทั้นท่านก็เลยละตันหามานะและทิฏฐิเพราะว่าเป็นสาเหตุให้ไปสู่อบายทุกคติวินิบาตและนรกเนี่ยนะก็เลยผู้ที่ละได้อย่างนี้แหละนะละถึงที่สุดก็เรียกว่าเป็นพระอรหรันต ชนเหล่าใดผู้เป็นบุรุษสูงสุดละความสําคัญที่เกิดจากตันหามานะทิฐิเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อท่านเหล่านั้นปรินิพานโดยหาเชื้อมิได้วัด ต, ตะแม้ทั้งสาคือกรรมวัดวิปากวัดและกิเลสวัดย่อมไม่มีโดยบัญญัติเพราะว่าถ้าสิ้นกิเลสก็เป็นอันว่าสินรราส้นกรรมถ้าสิ้นกรรมแล้วการเกิดในอบายเป็นต้นจะมีมาแต่ที่ไหนหลังจากขันที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดับไปแล้ว ถ้าหากว่าสิ้นกิเลสหมดเชื้อแล้วเนี่ยนะกรรมก็หมดสภาพถ้ากรรมหมดสภาพถ้าท่านจุติไปแล้วก็หาบัญญัติไม่ได้เหมือนไฟที่หมดเชื้อไปฉะนั้นถามว่ายัางเขาตอบเขามีคู่ถามว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าถ้ามีไฟกองโตมีฟืนมากองรวมกันแล้วก็กองไฟใหญ่ลุกขึ้นในที่สุดเผาไมหมเหลือแต่เท่าทานอันนะั้นเหลือแต่ขี้เท่าโปรยขี้เท่าสลายไปหมดแล้วเนี่ยนะ มีผู้ถามว่ากองไฟใหญ่นั้นอยู่ที่ไหนไฟที่เคยลุกนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนชั้นใดก็ดีผ้าอรหันต์ทั้งหลายที่ตั้นตัดสาเหตุแห่งวัตตะไปแล้วก็เป็นขีนางปุรานังนาวังนัตถิสัมภวังเยนะก็เป็นผู้ที่สิ้นเชื้อเหมือนกับสิ้นวัตตะแต่ถ้าผู้ใดยังเยื่อใยในเชื้ออยู่ก็เพราะเชื้อขึ้นเชื้อไหน เชื้อแห่งชาติชรามรณะโสกกะปริเทวทุกขโทมณตและอุปายาคือใจเราจริงๆเนี่ยนะคนที่เจริญวิปัสสนาระดับสูงเนี่ยเขาคิดสองเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักดับเชื้อหรือเพิ่มเชื้อเขาเอาจุดตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ขณะที่เพิ่มเชื้อที่สุดอยู่ที่ไหนถ้าดับเชื้อที่สุดอยู่ที่ไหนอันเนี้ยถ้าเพิ่มเชื้อเขาเรียกว่าพิจารณาความเกิดถ้าดับเชื้อเรียกว่าพิจารณาความดับตกลงจะดับหรือจะเพิ่ม มาไขครวนอยู่สองอย่างนี่แหละช่างสองอย่างเนี่ยนะคนที่จะดับโดยที่ไม่รู้จักเชื้อไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้มันก็ช่องพิจารณาสองอย่างว่าเพิ่มเชื้อหรือดับเชื้อเพิ่มเชื้อดับเชื้อเพิ่มเชื้อดับเชื้อเวลาเห็นเนี่ยยังไงคิดยังไงเรียกว่าเพิ่มเชื้อคิดยังไงว่าดับเชื้อก็แยกอย่างนี้ทุกทวารทุกขันและทุกอารมณ์ว่าเพิ่มเชื้อทําอย่างไรแล้วก็ดับเชื้อทําอย่างไรไอ้เพิ่มเชื้อไม่ต้องทําอะไรเพราะมันทําเป็นปกติ แต่ว่าดับเชื้อในสิว่าพระพุทธเจ้าแนะนําว่าอย่างไรเนี่ยนะนั่นก็อันนั้นแหละเรียกว่าที่มาว่าทุกทวารทุกอารมณ์ต้องเจริญโพธิปัจจยธรรมให้ได้ถ้าเจริญโพธิปัขจะธรรมได้ในทุกทวารและทุกอารมณ์ก็ดับเชื้อวัตตะได้เนี่ยนะเพราะว่าอันนั้นคือคุณธรรมที่จะออกจากวัตตะเนี่ยน ะ, ะช่วงเช้านี้ก็คงใช้เวลาเท่านี้ก่อนเนี่ยนะ